พระพุทธโอวาสก่อนปรินิพานโดยอาจารย์วสินอินทสระคราเมื่อส่งปลงพระชนมยุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาและเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลุ้มต้นหนึ่งตรัสกับพระอนตน์ว่าอา น, นุน ผู้อบรมอิธิบาทสีมาอย่างดีแล้วทำจนแคล่วคล่องแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้พระโลกนาตรัส ด, ดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอ น, นุนก็คงเฉยอยู่มิได้ถูดอะไรเลยความกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไป จนปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นอ่าความจงรักภักดีอย่างเหลือลน้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอนลเฉยอยู่ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนสยบ้างเถอะเธอเหนื่อยมากแล้วแม้แต่าถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอนนท์จึงหลีกไปพักผ่อนณโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณบัดนั้น พระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตการนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท้อพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมพรีและครานั้น พระองค์ทรงดั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีประรูประวาติคือคำกล่าวจ่วงจาบล่วงเกินจากพาหิระละทัทธิคือลัทธินอกพุทธศาสนาที่จะพึงมีต่อพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระองค์ ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้นก็แลบัตรนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสา ม, มารถพอที่จะดารงพรหมจรรย์สาสนวาดของพระองค์แล้วก็เป็นการสมควรแล้ว ที่พระองค์จะเข้าสู่มาหาปรินิพานทรงดำริ ด, ดังนี้แล้วจึงทรงปรงพระชนมยุสังขารคือตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพานในวันวิสาขะปุรณมีคือวันเพ็ญเดือนหกอันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งเซลามะฮมาแท่งถึก จากหน้าผาลงสู่สักย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นชันใดการปรงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไยว่าจะกปรินิพานของพระอนาวรณญาณคือผู้มีพระญาณอันไม่มีอะไรขวางกัน้นก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลกธาตุทั้งสิ้น มหาปตพีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกษาขาหวั่นไหวไวกวแว่งด้วยแรงวายุบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีนางน้อยคร่ำครวญปริเวธนา ถึงมารดาผู้จะจากไปจนสรุปแน่นิ่งณนะเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นแดงเข้มดุดเสือลำแผนซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระ ง, งมสนันไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในมิชานีพระอนนต์ สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าจอมมณีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุในวิปริตแปรปลวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานน์เอยอย่างนี้แหละ คราใดที่ตถาคตประสูตรตรัสรู้หมุนธรรมจักปลงอายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระ อ, อ น, นุ์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าปลงพระชนมายุสังขารเสร็จแล้วความสะเทือนใจและความว้าเหวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลัง สุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชศธภาดาท่านมอบลงที่พระบาทหมูนแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมูสัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปเถิดอย่าเพิ่งด่วนประนิพพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนต์ ก็ไม่อาจทุนอะไรต่อไปอีกเพราะโศกาดูนท่วมท้นหะไทยอนนนเอยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวใช้ออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคต จะต้องประนิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อาน o ์เราได้แสดงในมิตรโอภาษอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในมาไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็พออยู่ได้ แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ไม่ได้ทูลเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆ น, นี้ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกพระศาสดาหยุดครู่หนึ่ง แล้วตรัสต่อไปว่าอาน o น์เธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งณภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเบือนนกแรง้งอันได้นามว่าคิจกูดณภูเขานี้มีถ้ำอันการนามชื่อสุกระขาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตร ได้ถอนตันหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานของเธอผู้มีนามว่าธีคะนักขะเพราะไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วธีคะนักขะปริภาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสารีบุตร ถวายงานพัดเราอยู่จึงพูดเป ร, ปรย์เปรยเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะต ถ, ถาคตก็รวมอยู่ในคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเขาไปว่าถ้าอย่างนั้น เธอควรจะไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานนท์เราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอเนกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานนท์เอ่ยนณะเขาคิจกูดดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเราถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับ หรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอก็หารู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดไม่อานน์ต่อมาที่โคตมะนิโครธที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้าสัตบับัตใกล้เวภาระบัญพศที่กาลสศีลาใกล้ภูเขาอิสิคริซึ่งลึงลือมาแต่โบราณากาลว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระประเจกับพุทติจ้าเป็นอันมาก เมื่อท่านเข้าไปณนะที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบันพศหรือภูเขากลืนกินลือสีที่เงื้อมเขาชื่อสปริโสนธิกาใกล้ป่าสีตะวันที่ตะโปธารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแขวนมคตที่สวนมะม่วง ของหมอชีวกกมารพัฒที่มัททากุจิมิคาทายวันทั้งสิบแห่งนี้นาเขตแควนราชครืต่อมาเมื่อเราทิ้งราชครืไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสูเวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่งเราให้ในายแก่เธออีกหกแห่งคือที่อุเทนเจดีสัตตมพระเจดีโคตรมกะเจดี พหุปุตตะเจดีสารันทเจดีและปาวารเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่ณบัดนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะคร่ำครวญเอาอะไรอีกอานนท์เออยบัดนี้ สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชัมรดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคตอาน o น์เรามีให้ปรับปรำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบัดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกสามเดือนบัดนี้ สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่วคอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องฐานเท่านั้นอานน์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานน์เอยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุด สิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปราถนาไม่ให้เป็นอย่างมันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่มิพึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะแล้แล้วพระจอมาศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุกขาม และโพคณนครตามลำดับในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตตรายิกธรรมกล่าวคือศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐาน เป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและที่ตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมิได้เป็นต้นว่าพฤกษาละดาวันมหาสิงค orn และสัตว์จตุบททวิบาทนานาชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปรง่ง เหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนศีลนี่เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานย่อมเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอนิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนัง มีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิดีก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโลกกระมแผดเผากระพือพัด สัตศาส์เข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชือดเฉือนกิเลสาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ปานกันปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุดไฟดวงใหญ่ กำจัดความมืดให้ประลาศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอำมภัยขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจะเป็นประดุดประทีปแห่งดวงใจอันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะคลุกคลาดด้วยกิเลส น, นาชนิดศีล ส, สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิม จิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะย่อมพบกับปีติปราโมทอันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์มหือมาหาอะไรเปรียบไม่ได้เ อ, อิบอาบทราบซ่านด้วยธรรมตนของตนเองนั่นแล เป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสานุสัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ด้วยตนเองว่าบัดนี้แขนของตนขาดแล้วโอวาทานุสาสนีของพระผู้มีพระภาคส่วนใหญ่เป็นไปเยี่ยงนี้ ข่าวการปลงพระชนมยุสังขารของพระศาสดาแพ่กระจายไปทั่วสังขมนทนประดุษบุรุษผู้มีกำลังกระพือผ้าขาวคลุมบริเวณเนื้อที่อันน้อยบัดนี้สาวกของพระองค์ทั้งเครหัดและบรรพชิตรู้สึกว้าเววิววันและเลื่อนลอยสาวกที่เป็นปุติชนไม่อาจกลั่นอัสุธาราไว้ได้มีใบหน้าอาบด้วยน้าตาประชุมกันเป็นกลุ่ม รำพึงรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจะปรินิพานเสร็จแล้วพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนสาวกผู้เป็นขีณาศพสิ้นอสวะแล้วก็ได้แต่ปลงธรรมสังเวชคือความสลดใจตามแบบพระอริยะภิกษุรูปหนึ่งได้นามว่าธรรมารามคิดว่าอีกสามเดือนข้างหน้าพระตถาคตเจ้าจะปรินิพาน เราบวชในสำนักของพระองค์แต่ยังมีอาสวะกิเลสอยู่กระไรหนอเราจะพึงเพียรพยายามเพื่อบรรลุอรหัตตผลในเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่คิดดังนี้แล้วท่านไม่ได้จับกลุ่มกับภิกษุอื่นๆไม่ได้เศร้าโศกปลีกตนออกไปอยู่แต่เพียงผู้เดียวพยายามทำสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นพฤติกรรมดังนี้ เข้าใจว่าภิกษุธรรมรามหาความรักความอาลัยในพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงนำความเขานั้นกราบทูลพระพุทธองค์พระเจ้าค่าภิกษุทูลภิกษุชื่อธรรมรามหาความรักความอาลัยในพระองค์ไม่ได้เลยเมื่อทราบว่าพระองค์จะเปรยิพานก็หาได้แสดงอาการเศร้าโศกอย่างใดไม่ปลีกตนไปอยู่แต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องไตถามเรื่องราวของพระองค์เลยพระศาสดารับสั่งให้พระธรรมรามเข้าเฝ้าตรัสถามว่าธรรมรามได้ยินว่าเธอทําอย่างที่พิกษุทั้งหลายกล่าวนี้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระธรรมรามทูลรับทําไมเธอจึงทําอย่างนั้น เธอไม่อะไรใยดีในตถาคตหรือพระศาสดาตรัสถามหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์บวชแล้วในสำนักของพระองค์ผู้สันเสรินความเพียรพยายามบัดนี้พระองค์จะนิพพานแล้วทำชไหนหนอข้าพระองค์จะพึงทําความเพียรเพื่อบรรลุธรรมอันสูงสุด เพื่อบูชาพระองค์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทีเดียวด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงลีกออกจากบู่อยู่แต่เพียงผู้เดียวพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระอุทานออกสามครั้งว่าดีแล้วภิกษุและผินพระพักมาตรัสกับภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสเสน่หาอะไรในเรา พึงทำตอนอย่างธรรมรามภิกษุนี้การทำอย่างนี้ชื่อว่าบูชาเคารพนับถือเราด้วยอาการอันยอดยิ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ยิน ด, ดีในธรรมตรึกตรองธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตธรรมไม่เสื่อมจากพระนิพพาน แม้กระนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไม่ไวายที่จะแวดล้อมพระองค์ไปทุกคนทุกแห่งพระาศาสดาเห็นดังนี้จึงเตือนภิกษุเหล่านั้นให้พยายามสแสวงหาวิเวกเพื่อบรรุคุณธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลาย บท4ีคืออริยสัตว์ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดมักมีองค์8นี้แหลเป็นไปเพื่อทัศนอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมีองค์แปดนี้อันเป็นทางที่ทำให้มารหลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สูญสิ้นไปความเพียรพยายามทั้งหลายเธอต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนั้นพวกเธอจะพ้นจากมารและ บ่วงแห่งมารพระพุทธองค์ตรัสกับพระอ น, นุนว่ามาเถิดอ น, นุนเราจะไปกุศินารานครด้วยกันพระอ น, นุนรับพุทธบัญชาแล้วประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วดุ่มเดินจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุศินารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มพฤกใบหนาต้นหนึ่ง รับสั่งให้พระอนนต์ปูผ้าสังขาติทําเป็นสี่ชั้นอนนท์เราเหน็ดเหนื่อยเลือกเกินอาพาธก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูสังขาติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำมาดื่มพอแก้กระหายพระเจ้าค่ะพระอนนต์ทูล เวีนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านพนลนลาน้ำไปสักครู่นี้เองน้ำยังขุนอยู่ไม่ควรที่พระองค์จะดื่มขอเสด็จไปดื่มนะ้แม่น้ำกากุธานทีเถิดมีน้ำใสจืดสนิทเย็นดีอย่าเลยอ น, นุ์พระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงบอนอย่าคอยจนถึงแม่น้ำกากุทานทีเลยเรากระหายเหลือเกินร่างกายเร่าร้อน คอแห้งผากเธอจึงรีบไปนำน้ำมาเถิดพระอนอน์รับพุทธบัญชาแล้วถือบาทของพระตถาคตเจ้าไปท่านมีอาการเศร้าซึมและวิตกกังวลเมื่อมาถึงริมแม่น้ำยังมองเห็นน้ำขุ่นอยู่ท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับแต่ด้วยความเชื่อและห่วงใยในพระศาสดาจึงเดินลงไปอีก พอท่านทําท่าจะตักขึ้นมาเท่านั้นน้ำซึ่งมีสีขุ่นขาวเพราะรอยเกวียนและโคก็ปรากฏเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกเงาซึ่งหญิงสาวผู้รักสวยรักงามขัดไว้ดีแล้วท่านจึงตักน้ำนั้นมาแล้วรีบเดินกลับน้อมบาดน้ำเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงดื่มน้ำด้วยความกระหาย พระอนน์มองดูด้วยความชื่นชมในพุทธบารมีแล้วถูดว่าพระพุทธเจ้าข้าอัศจรรร์จิงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มีและปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้บารมีทําเป็นสิ่งที่น่าสั่งสมแท้แล้วท่านก็เล่าเรื่องน้ำขุญกลับใสสะอาดโดยฉับพลันให้พระผู้มีพระภาคสดับ พระจอมมุนีคงประทับสงบนิ่งด้วยอาการแห่งผู้เจนจบและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงย้อนไปเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พระองค์จะอาพาธนี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปวาวาประทับณสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรนายช่างทอง นายจุนทะทูลอาราธนาให้รับพัตตาหานณบ้านของตนและจัดแจงขาธิยะโภชน ي ยาหารอย่างประนีตรุ่งขึ้นได้เวลาแล้วอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดทัศนาการเห็นสุกระมัถวะอาหารชนิดหนึ่งซึ่งย่อยยากจึงรับสั่งให้ถวายแก่พระองค์แต่ผู้เดียวมิให้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่น เมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสียดูเถิดพระมหากรุณาแห่งพระองค์มีถึงป่านนี้สำหรับพระองค์นั้นไม่ได้ทรงห่วงใยในชีวิตแล้วเพราะถึงอย่างไรอย่างไรก็จะต้องนิพพานในคืนวันนี้แน่นอนทรงเป็นห่วงภิกษุสาวกว่าจะลำบากถ้าฉันอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้น ประหนึ่งมานดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมในบุตรตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรทีดาลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบากอันนั้นเสียเองสูขระมัทวะให้ผลทันที อาการประชวนของพระพุทธองค์สุดหนักลงอย่างน่าวิตกมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปลา่าจากปาวาสู่กุสินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุสินาราราชธานีแห่งบลรกษัตรย์ณนะใต้ร่มพฤกษ์แห่งหนึ่ง ขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมลกษัตริย์นามว่าปุกกุศะเคยเป็นศิษย์ของพระอาราดดาบทกลามโครเดินทางจากกุศินาราเพื่อไปยังปาวานนครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงนำผ้าคู่งามซึ่งมีสีเหมือนทองสิงขีเข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายแก่พระอานนท์ผืนหนึ่งแก่พระองค์ผืนหนึ่ง พระอานน์เห็นว่าผ้านั้นไม่ส่วนแก่ตนจึงน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคอีกผืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงนุ่งแล้วห่มแล้วผ้านั้นสวยงามยิ่งนักปรากฏประดุจทานเพลิงที่ปราศจากควันและเปลวพระชวีของพระพุทธองค์เล่าก็ช่างผุดพองงดงามเกินเปรียบท่านได้เห็นดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า ข่าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ผุดผ่องยิ่งนักเกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเปลงปลังมีรัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์มีพระชนมายุถึง80แล้วอยู่ในวัยชาราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้ พระองค์ทรงพระประชวรหนักมีอาการแห่งผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุชไหนผิวพันธุ์ของพระองค์จึงผุดผ่องยิ่งนักอานนท์พระสัสดาตรัสตอบเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้คือคราวจะตรัสรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะนิพพานอีกคราวหนึ่ง ผิวพันธ์แห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุลรัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัดสดงดูก่อนอนุนในยามสุดท้ายแห่งรางตรีนี้ตถาคตจะต้องบริณิพานในระหว่างต้นสาระทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากันมีใบใหญ่หนามีดอกเป็นช่อชั้น ตรัส ด, ดังนั้นแล้วจึงเสด็จนำพระอานนต์ไปสู่ฝั่งน้ำกากุธานทีเสด็จลงสงสนานสำราญตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วเสด็จขึ้นจากกากุธานทีไปประทับณอัมพวันรับสั่งให้พระจุทธะน้องชายพระสารีบุตรปูราดสังขาติเป็นสี่ชั้น แล้วบรรทมสีหะสา ย, ยาคือตะแคงขวาเอาพระหัตทรองรับพระเสียนซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสัมปชัญญะอ้างพระไยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้าขณะนั้นเองความปริวิตกถึงนายจุนทะผู้ถวายสุกรมัวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ เมื่อเรานิพานแล้วอาจจะมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษจนเป็นเหตุให้เราปรินิพานหรือมิฉนั้นจุนทะอาจจะเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจไปเองว่าเพราะเสวยสุกรมัทธะอันตนถวายแล้วพระตถาคตจึงนิพานดูก่อนอนนน บินธบาตทานที่มีอเนกสงฆ์มากมีผลภัยสารมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายก่อนเราจะตรัสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วต ถ, ถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพานคือการดับกิเลสครั้งหลังนี้ สวยอาหารของจุนทะบุดช่างทองแล้วเราก็นิพานด้วยขันทะนิพานคือดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึงตำหนิจุนทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้และถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจเธอก็พึงกล่าวปลอบให้เขาคลายวิตกกังวลเรื่องนี้ อาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเราครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอนนต์เป็นปัจฉาสมนะคือผู้ติดตามและมีภิกษุสงฆ์มูใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้าแม่น้ำหิรัญญวดีถึงกรุงกุศินาราสเสด็จเข้าสู่สารวโนทยานคืออุทยานซึ่งสะพรึกพรั่งด้วยต้นสาละ ซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากันให้หันพระเสียรทางทิศอุดอรครั้งนั้นมีบุคคลเป็นอันมากจากทิศ ต, ต่างๆเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสริระเป็นปัจฉิมการแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมณนะทรงเห็นเหตุนี้แล้ว จึงตรัสกับพระอนุนเป็นเชิงปรารบว่าอ น, อนุนพุทธบริษัททั้งสคือพิกษุพิกษุณีอุบาสกอุบาสิการรมสการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสการะทั้งหลายอันเป็นอามิตรเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่ อานน์เอ๋ยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมผู้นั้นแหลชื่อว่าส ก, การะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมพระอานนทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากที่สานุธิต เพื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาทจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะบรินิพานเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดอาหนนสถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูตรแล้วคือลุมพินีวันสถานสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก คืออิสิปตนะมรุกขายวันแขวงเมืองพาราณสีสถานที่ที่เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมลทนตบนอุรุเวลาเสนานิคมและสถานที่ที่เราจะปรินิพานนบัตนี้คือป่าไม้สาละนานครกุสินารา อนน์เออยสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานิยสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยบาทแห่งเราข้าแต่พระผู้มีพระภาคในพรหมจรรย์ น, นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาบ้าง เป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบ้างภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานนท์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั้นเป็นการดีถ้าจะเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าค่ะ ถ้าจะเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดีถ้าจาเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าค่ะจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจะเป็นต้องสนทนาด้ว ย, ย, นนวยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดีสำรวมอินทรีย์และกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหล ครอบงำจิตใจได้อโนอนเรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นเป็นมนทิีของพรหมจรรย์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวเล่าพระเจ้าค่ะจะเป็นมนทิีของพรหมจรรย์หรือไม่ไม่เป็นสิอโนอนเธอระลึกได้อยู่หรือเราเคยพูดไว้ว่า อารมณ์อันวิจิตสิ่งสวยงามในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะความดำ่ริตังหากเกล้าเป็นการของคนเมื่อกระช่าความพอใจออกเสียได้แล้วสิ่งวิจิตและรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่างนั้นทํเพิดอะไรไม่ได้อีกต่อไป พระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพระอนอนท์ก็พลอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนท่านจะตรึกตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้ความเงียบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแลพระอนอนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์บริณิพานแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสรีระอย่างไร อย่าเลยอนอนท์เธออย่า ก, กังวลกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มครองตนด้วยดีจงพยายามทำความเพียรเผาบาปที่เร่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเถิดสำหรับเรื่องสรีระของเราเป็นหน้าที่ของเครือัดที่จะพึงทำกันกริย์พราม แลกขระหับบุดีไปจำนวนมากที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงทำกันเองเรียบร้อยพระเจ้าค่ะพระอนนทูลเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของขรหัสก็จริงอยู่แต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกอย่างไรอานนนชนทั้งหลาย เมื่อจะปฏิบัติต่อพระสรีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่อสรีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิดทำอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะอโนอนคืออย่างนี้เขาจะพันสรีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสัรีแล้วพันด้วยผ้าใหม่อีกทำอย่างนี้ ถึงห้าร้อยคู่หรือห้าร้อยชั้นแล้วนำวางในรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทําจิตกาทานด้วยไม้หอมนานาชนิดและถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเชิญพระอธิธาตแห่งพระเจ้าจาักรพรรดนั้นไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้หน้าทางสีแพร่ง ในสเรระแห่งพระตถาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจะได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลและนานแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงถูปาระหะบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอติธาต์ไว้ในพระสถูก เพื่อเป็นที่สการะบูชาของมหาชนทั้งสี่จำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิตรัสแล้วบรรทมนิ่งอยู่พระนนท์ถอยออกจากที่เฝ้า เพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารมือจับลิ่มสลักนิ่งอยู่น้ำตาไหลพรากจนอาบแก้มแล้วเสียงส อ, อื่นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชารานับได้แปดสิบแล้วเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาค ผูผสมบทมานานถึง44พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมและอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคลผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ถ้าไม่มีเรื่องกระเทือนใจอย่างแรงคงจะไม่โศกเศร้าปริเวธนาการถึงขนาดนี้ท่านสอือกสะออื่น จนสั่นเทิมไปทั้งองค์บางคราวจะมองเห็นผ้าสีเหลืองมนที่คลุมกายสั่นในน้อยตามแรงสั่นแห่งรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเวอย่างยิ่งเป็นเวลานา น, านเหลื้อเกินที่ท่านและพระศาษษสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกัน การจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเสมือนการกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงครวญคล้าวออกมากับเสียงสื่อื่นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจากไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ ผู้ทรงพระมหากรุณาดุดห่วงมหันนบมาดวนจากข้าพระองค์ทั้งๆที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนให้เด็กเดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นพี่เลี้ยงก็มีอันพัดพรากจากไปข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอานอน์คร่ำครวญอย่างน่าสงสาร เมื่อพระอนนต์หายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอนนต์หายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพระวิหารพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอนนท์มานี่เถิดพระศาสดาตรัสพระอนนต์เข้าไปสู่ที่เฝ้าด้วยหน้าที่ชุ่มด้วยน้ําตา พระศาสดาตรัสปลอบใจว่าอานนอย่าคร่ำครวญนักเลยเราเคยบอกไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้และในโลกไหนๆก็ตามไม่มีอะไรย่งยืนท้าวอนเลย สิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับไปในที่สุดไม่มีอะไรยับยั้งต้านทานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นประดุจดวงตะวันพระอนนทูนด้วยเสียงสะอื้น น, น้อยๆข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายาต่อไปนี้ข้าพระองค์จะติดตามผู้ใดเล่าจะพึงตั้งน้ำใช้น้ำเสวยเพื่อผู้ใดจะพึงปัดกวาดเซนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใดอันหนึ่งเวลานี้ข้าพระองค์ ยังมีอาสวะอยู่พระองค์มาด่วนปรนิพานใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์กําจัดกิเลสให้หมดสิน้นข้าพระองค์คงอยู่อย่างว้าเวและเดียวดายเมื่อคํหนึ่งอย่างนี้แล้วก็สุดจากห้ามความโศกกาสรดได้ อาน o น์เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ได้สังสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยกิจอันใดที่ควรทำแก่ตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยม จงประกอบความเพียรเถิดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอ ร, รหัตผลเป็นพระอรหันในไม่ช้าตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้และทรงสรรเสริญพระอนต์โดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลาย อนนเป็นบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้และอุปถากเราอย่างยอดเยี่ยมพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งมีภิกษุผู้อุปถากอุปถากนั้นก็ไม่ดีเกินไปกว่าอานนลอนนเป็นผู้ดำรงกิจ ด, ด้วยปัญญารู้การที่ควรไม่ควร รู้การที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่มาเฝ้าเราว่าการนี้สําหรับกษัตริย์การนี้สําหรับราชามาหาอามาตย์การนี้สําหรับคนทั่วไปควรได้รับการยกย่องนาประการมีคุณธรรมน่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยสนทนาก็อยากเห็นอยากสนทนาด้วยอยากฟังธรรมของ อ, อนุน เมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อนอนต์แสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรถภิกษุทั้งหลายอ น, อนนต์เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่งพระอนอนต์ผู้มีความห่วงใยในพระศาสดาไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่า พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นประดุจจักรพัทในทางธรรมสรงสถาปนาอณาจากแห่งธรรมขึ้นท่งเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่าราชาใดๆในพื้นพิภพนี้ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะวรรณะในเมืองกุสิดาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย ขอพระองค์ไปประรนิพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชครืสาวทถีจำปาสาเกตโกสัมพีพระราสีเป็นต้นเถิดพระเจ้าค่ะในมหานครเหล่านั้นกษัตริย์พรามเศรษฐีก้าบดีและทวายนาครทุกชั้นที่เลื่อมใสพระองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทำรรมหาสการะ แด่สรีระแห่งพระองค์เป็นโมโหราณควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมมะบุรุษรัตในโลกอานน์เธอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่าง สถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอ น, อนนน์เออย์สถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่า นามว่าลุมพินีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทยานเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตบนอุรุเวลาเซนานิคมแขวงเมืองราชคฤื้มหาคนครเมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียงห้าคนเราก็ตั้งลงแล้วหน้าป่าอิสิปตนะมรุกขายวัน เขตเมืองพราณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งเราเราก็ควรนิพพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกุสินารานี้แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุสินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า มหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อว่ากุษาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษยนิกรเกลื่อนกลนพรั่งพร้อมด้วยธัญญหารมีโรมนียสถานที่บันเทิงจิตประดุดดังราชธานีแห่งพิพยนาครกุษาวดีราชธานีนั้น คืกก้องนารุาดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงคจรสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสําราญเบิกบานจิต พระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสาราธิบดีในปฏิพีมณฑนทรงชำนะปัจจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและสตราชนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากลิ่มสลักเป็นนคารที่รื่นรมรมเย็น สมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราษอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งอาน o น์นเอยเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอาน o น์จงดูเถิดพระเจ้าจักรพรรด มหาสุทัศนะก็สิ้นพระชนไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันเป็นหมดแล้วนี่แหละไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนต ถ, ถาคตเองก็จะนิพพานในไม่ช้านี้แลแล้ว พระศัสดาก็รับสั่งให้พระอนนนไปแจ้งข่าวพระนิพานแก่มลรกษัตริ์ว่าพระตถาคตเจ้าจากประนิพานได้ยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมรลกษัตริ์ผู้ครองนครกุสิณาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงคำสดโศกาดูนทุกโทมนัสทัพทวีสยายพระเเศสายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคร่ำครวนลมกลิ้งเกลือก ประหนึง่งบุคคลพี่เท้าขาดร่ำไรรำพันถึงพระโลกนาฏว่าพระโลกนาฏด่วนปรินิพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุจสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลงด้วยอาการโศกาโดนดังนี้มล ก, กษัตริย์ตามพระอ น, นุ์ไปเฝ้าพระาศาสดาณสาลวโนทยาน พระอานน์จัดให้เข้าฟฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันถาคารคืนนั้นบรรกษัตริย์ประชุมกันอยู่จนสว่างมิได้บรรทมเลย ย่างเข้ายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวรอบรอบอุทยานสารวันเปียกชุ่มไปด้วยอัสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณเข้าหลังน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะพ逻ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออก แล้วโตเต็มดวงสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสาลวันพรมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบสาละซึ่งไหวน้อ ย, อยดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินกว่าที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาดส่องเหมือนจงใจจะบูชาพระสรีระแห่งจอมศาสดานั้น เงียบสงบวางเวงจะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสออกสสื่ื้นและทอดถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงทํากลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชเพศปริพาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอฝ้าพระศาสดาพระ อ, อนอน์ได้สะดับเสียงนั้น จึงออกมารับและขอร้องวิงวอนว่าอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่พระอานนท์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพระเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพระเจ้า สุพัทธะปริพาชกอย่าเลยสุพัทธะท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลำบากพระวรกายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวนหนักจะประนิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอนอนสุพัทธะเว้าวอนต่อไป โอกาสของข้าพระเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพระเจ้าฝ้อพระศาสดาเถิดพระอานนท์คงทัดทานอย่างเดิมและสุพัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมย่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมา พระศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอนนท์ว่าอานนท์ให้สุพัทธะเข้ามาหาเราเถิดเพียงเท่านี้สุพัทธะปริพาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์นามว่าสุพัทธะ คือเพศเป็นปริภาชกหมาไม่นานได้ยินกิติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันธะปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประธานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุพัทธ พระสัสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปรุรณะกัจสปะมัคคิิโคสารอชิตะเกตกัมพลปกุฏธะกัจยานะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนนาตบุตรเป็นศาสดาเจ้าลทัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพ บ, บูชามากศา ส, สดาเหล่านี้ ยังจะเป็นพระอาหารหันต์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุพัทธะที่เธอดิ้นรนขวนขวายพยายามมาหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดพระสัสดาตรัสทั้งยังหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าค่ะสุภัทธะทูลรับพระอ น, นุ์รู้สึกกระวนกระวายทันที เพราะเรื่องที่สุพัท ธ, ธะมารบ ก, กวนพระาศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไรสาระเหลือเกินขระที่พระอนน์จะเชิญสุพัท ธ, ธะออกจากที่เฝ้านั้นเองพระาศาสดาก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุพัท ธ, ธะเวลาของเราและของเธอเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิด ข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุพัทธรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใด ไม่มีมรรคมีองค์8ดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุพัทธะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าค่ะสุพัทธ์ทูลและนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุพัทธะแล้ว จึงตรัสต่อไปว่าสุพัทธะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุพัทธะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดเป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุพัทธะ ถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรคาอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอระหันตุพัทธะฟังพระพุทธดำรัตนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรปชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยบวชในศาสนาอื่นมา ก, ก่อน ถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดทิยปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสีเดือนก่อนแล้วจึงจะบรระชาอุปสมบทได้นี้เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานา น, านมาแล้วสุพัทธะทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสัก4ี่ปี พระสสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุพัท ธ, ธะดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอนอนต์นำสุพัท ธ, ธะไปบปรญชาอุปสมบทพระอนอนต์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุพัท ธ, ธะไปณที่ส่วนหนึ่งปลงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสารนคมและศีลสำเร็จเป็นสมเณรบรพชาแล้วนำมาเฝ้พระศาสดา พระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุพัทธเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุพัทธภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอรหัสตผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวันนั้นจงกรมนั้น คือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้หลุดล่วงบัดนี้ร่างของสุพัทธภธิสุห่อหุ้มด้วยกาสาวพัดเมื่อต้องแสงจันในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัชชิมยามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้ว ดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้วสุพัทธภิษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ ดูจะอับรัศมีลงสุพัทธะภิกษุแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าไม่ก้อนใหญ่กําลังเคลื่อนเข้ามาบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักไม่ก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมศาสองลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งโล่ขึ้นในดวงใจของสุพัทธะภิกษุ เพราะนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์อาท่านอุทานเบาๆจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันทร์เจ้าแต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงแลแล้ววิปัสสนาปัญญาก็พลงขึ้น ชำระ ก, กิเลสแทงทะลุบาปประธรรมทั้งมวลที่ห่อหุ้มดวงจิตแวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุจตาข่ายด้วยสัตราคือวิปัสสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสาสวะทั้งมวลบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ ใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระกายในท่าสิห์สยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปกว้างออกไปประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆ ก, ก็ปานกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนุ์ว่าอา น, นุน เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าวเวไร้ที่พึ่งอานอนเอยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้น จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานอนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสทั้งผู้แก่และ ต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษาว่าอาวุโส ซ, ซึ่งมีความหมายว่าคุณส่วนภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าพึงเรียกผู้แกกว่าว่าพันเตหรืออายสมาซึ่งมีความหมายว่าท่านผ่อนพันตา ม, ตามควรแก่คารวะโวหาร อานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องช น, นะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฐิบาณนะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครๆหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงลงพรมทันแก่พระช น, นะ คือเธอปรารถนาจะทำจะพูดจิิงใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยสง์ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีลงพรหมทันคือการลงทันที่หนักที่สุดแบบอริยะอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้ เพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขไม่กิแนแหนงแคลงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับการกับสมัยเสียบ้างก็ได้การเวลาล่วงไปสมัยเปลี่ยนไป จะเป็นความลำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เมื่อพระอนต์มิได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ ในมักหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะประพักพระสัสดาแล้วไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลย แม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้าย บันนี้พละกําลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทลาดลงไปในดินที่แตกรรแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปมิได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกระนาดก็ยังประทานประชิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรับสุดท้ายว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันโคโจรไปรยังขอบฟ้าที่ตะวันตกแล้วแสงสมศาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงกล่าปราศจากเมฆหมอกรัศมีแจ่มจรัดดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุตฌาน ออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตเนโรตตามลำดับแล้วถอยกลับมาจากสัญญาเวทยิตเนโรตจนถึงปฐมฌานเมื่อออกจากจตุตฌานอย่างไม่ทันเข้าสู่ อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนั้นขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐละทิ้งวิบากขันอันทรมานเข้าสู่สีวโมกมหาปรินิพานนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บรรดาให้เป็นไปทั่วท้องธรณี และสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปตพีดลซึ่งสามารถรองรับนาน า, นาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสินเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกำปนาฏการหว่านไหวอีกทั้งพ่วงมหนกก็กำเริบตีฟองขนองคลื่นครั่นนริน า, นาศสนันทั่วทั้งสาครหมูมัดฉา ปานนกาชาติมังกรผุดดำกระทำศัพท์ให้นรกโตรประดุดเสียงปริเวทนาการแท่ซองโศกาดดลกรรมสดท้องฟ้านภาอากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงคลื่นครั่นสนั่นทั่วเวหาเหมือนแสดงอาการคล่ำครวนถึงองค์พระโลกนาฏผู้จากไป มองลงมายังพื้นปัตภีณสาะวโนทยานมณฑนซึ่งคลาคล่ำไปด้วยสาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัฒอันอัมพันและทวยนาคอนผู้มีความอาลัยในพระาศาสดาพอเสียงกล้องกังวานระคนเศร้าของพระอ น, นุลพุทธอนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประนิพานแล้วเท่านั้น เสียงร่ำไห้ก็ระงมขึ้นพร้อมกันประดุดเสียงจักกะจันและเรไรกรีดร้องยามย่ำสนธยาทั้งเครือหัสและบัญชัติที่ยังเป็นปุตชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้รำ่ำร้องโหยไห้ประดุษบีดาแห่งตนสิ้นชีพลงพร้อมๆกันณบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราว เสียงร่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุสินารานครฝ่ายภิกษุผู้เป็นขีณาศพสิ้นอาสวะแล้วก็ปรงธรรมสังเวชพร้อมด้วยปลอบผู้ที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญด้วยธรรมกถาให้เห็นความเป็นไปตามธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนทนไม่ได้ต้องแตกไปดับไปสลายไป พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วแต่ต้นปชิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณพระอนุรุษและพระอนุนได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรรมเทศนาปฏิสังยุตด้วยไตรลักษณะการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา กำหนดเก็บพุทธสรีระไว้หกราตรีเมื่อถึงวันที่เจ็ดจึงถวายพระเพลิงณนะมะกุฏพันธเจดีแล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่้ำกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันและกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุดกองไฟดับลงแล้วเพราะ หมดเชื้อฉนั้น